أعوذ ب ا ل له من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين l a h i ول و به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ص ل و ص س ل م وبارك على نبينا م ح م د وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا ع ل م ل ن ا إ ل ا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ربشرح لي صدري وييسر لي أمري وحل لعذكم اللسان يصفه قولي اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهابه م ي ي ر ر ن م ن وغمومنا وشفيع لنا برحمةك يا أرحم ا ل أ ح م ي ن ا لله น้นครับวันนี้เราจะได้ขึ้นสุรษใหม่นะครับเป็นสุรษที่สุรษแฝดสามสุรษแฝดสามจําได้ไหมว่าสุรษอะไรบ้างที่เราเคยบอกฮะดิษของท่านนาบีสุลต่านว่าใครก็ตามที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับวันเพียร์มัตเหมือนกับว่าพวกเขานั้นได้เห็นกับตาตัวเอง ให้เขาอ่านสาสุรนะครับนั่นก็คือสุร์อิสมาอิชัมสุรัก็คือสุรทีเราจะเรียนในวันนี้อินชาอัลลอฮ์ุบารัตุอัลเลาหนั้นนัก่อนทีเราจะเรียนอ่นอัลกุรอานพร้อมๆกัน ผมอยากจะเตือนตัวเองแล้วก็ตัวพี่น้องทุกคนว่าอัลกุรอานอลกิรีมเราก็เรียนมาเพราะค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับเราอ่านมาตะดับบทกันมาค่อนข้างที่จะพอสมควรผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีความผูกพันนะครับเริ่มที่จะมีความผูกพันกับอัลกุรอานมากขึ้นจากเดิม ก็อยากจะให้พี่น้องลองทบทวนนะครับว่าวันนี้กับเมื่อวานของเรานั้นเราเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนการที่เรามาเรียนอัลกุรอานกันอย่างนี้พี่น้องเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในชีวิตของพี่น้องเองในตัวของพี่น้องเองมีความรู้สึกรักอัลกุรอานมากขึ้นไหมมีความรู้สึกว่าจะต้องเอาใจใส่กับอัลกุรอาน จากเดิมไหมแล้วก็เริ่มที่จะเปิดอ่านเริ่มที่จะอยากฟังอยากจะเรียนรู้มากขึ้นหรือเปล่าบางสิ่งบางอย่างที่ได้รับประโยชน์จากการมานั่งเรียนมานั่งอ่านด้วยกันเนี่ยพี่น้องสามารถทำได้กี่อย่างนะครับอาจจะไม่มากแต่ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงขอให้มีการเปลี่ยนแปลง แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเช็คไปเช็คมาเอ๊ะมันรู้สึกว่ามันไม่เปลี่ยนหรือมันไม่มันรู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรอันเนี้ยเราก็จําเป็นต้องตรวจสอบนี่คือความจําเป็นการตรวจสอบตัวเองมุสลิมจะต้องตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าเจอสิ่งที่ดีเราก็ต่อยอดเราก็เอาไปพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ อันนี้ต้องยอมรับนะไม่ต้องไปกลัวถ้าเจอสิ่งที่ดีเราก็อัลฮัมดุลิลลาห์เราได้รับสิ่งที่ดีจากอัลลอฮ์แต่ถ้าเจอสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องยอมรับเพื่อเอาไปแก้ไขต้องหาจุดบกพร่องของเราจุดบอดของเราว่ามันอยู่ตรงไหนทําไมพอตรวจสอบตัวเองแล้วอุตส่าห์เรียนอุตส่าห์าอ่านอุตส่าห์ฟังอุตส่าห์หลายๆอย่างละเอ๊ะมันยังไม่ดีขึ้น มันยังไม่เปลี่ยนมันยังไม่ไม่รู้สึกว่าอยู่ที่เดิมอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ต้องหาจุดบอดของมันว่าเป็นเพราะเหตุใดนะเป็นเพราะตัวนะตัวอะไรดนะีเป็นเพราะตรงไหนส่วนไหนองค์ประกอบไหนของการเรียนการสอนของเราที่ทำให้เรานั้นมีความรู้สึกว่ามันไม่เปลี่ยนแปลง น, น, นะครับมันก็อาจจะมีหลายอย่างซึ่งการวิเคราะห์การพูดคุยการ สรุปผลเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องอเปิดโ อ, อกาสให้พี่น้องได้พูดซึ่งคงไม่ใช่ณตรงนี้นะครับอาจจะต้องให้คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสอบไหมสักครั้งนึงอาจารย์เฮงทำข้อสอบไหมทำข้อสอบนะสอบยังไงดีจะตรวจสอบยังไงดีจะประเมินยังไงดีว่ากิจกรรมของเราเนี่ยเออมันไประดับไหน มันควรจะปรับรงตรงไหนมันควรจะพัฒนาตรงไหนบอกได้นะครับบอกผมได้บอกกรรมการได้บอกใครก็ได้เพราะเราไม่ต้องการที่จะอยู่กับที่อิสลามไม่ต้องการให้มุสลิมนะีอยู่กับที่หรือถอยหลังถอยหลังก็ไม่เอาแล้วอยู่กับที่ก็ไม่เอาเราจะต้องเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับ فإذا ف บ غ ت อ ن ص ب وإلى ربي كفرغ ต้องหวังพวกเราทุกคนจะต้องหวังจากอัลลอฮ์สุบฮานะตะอัลลาว่าชีวิตของเราจะต้องดีขึ้น อามัลของเราจะต้องดีขึ้นอิมานของเราจะต้องดีขึ้นชีวิตของเราที่เราจะพาไปสู่อัคเคโลจะต้องชัดเจนมากกว่านี้จะต้องดีมากกว่านี้นะครับจะต้องอมีกาลังใจจะต้องคือจะต้องพัฒนาจะต้องมีการเกิดการพัฒนามากขึ้นนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเอามาตั้งเอาไว้ข้างหน้านะครับคือถ้ามันจะบกพร่องมันคงไม่ได้บกพร่องที่อัลกุรอาน ผมว่านนะเพราะว่าอัลกุรอานเนี่ยมันไม่บกพร่องเด็ดขาดนะเป็นตายัางไงมันก็ไม่มีทางที่จะบกพร่องนะเรามาเรียนอัลกุรอ า, านเราบอกว่าโอ้ยเรียนไม่มันไม่ได้บกพร่องที่ตัวของอัลกุรอานแน่นอนอาจจะบกพร่องที่ตัวผมคนที่สื่อสารคนที่สอนสอ น, สอนไม่เข้าใจสอนหรืออาจจะบกพร่องที่ตัวของเราแล้วแต่มันดูต้องต้องกลับมาเช็คผมเองก็ต้องเช็คอะไรผมก็ อ, อยากจะทราบเหมือนกันว่า เพราะว่าอัลกุรอานเนี่ยยังไงยังไงไม่มีทางเด็ดขาดถ้าหากว่าในยุคของสหายอัลลอฮฺยุคของท่านนาบีสุลต่านละท่านนาบีใช้สูตรนี้ในการพัฒนาสังคมในการปรับปรุงทรัพยากรมนุษย์แสดงว่ามันไม่ได้บกพร่องที่อัลกุรอานอาจจะบกพร่องที่คนสอนอาจจะบกพร่องที่คนคนคนเรียนแล้วอาจจะบกพร่องที่กระบวนการหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ไม่ใช่ที่อัลกุรอานเด็ดค่ะเราจะบอกว่าไม่ต้องเรียนอัลกุรอานเรียนไปัก็เท่านั้นไม่ได้อะไรเลยไม่ใช่ต้องเรียนอัลกุรอานแต่ที่มันไม่ได้ผลเนี่ยเพราะอะไรก็ต้องไปหามาเรียนอัลกุรอานกับอาจารย์คนนี้ไม่ได้เรื่องเอาอาจารย์คนอื่นมามาสอนอัลกุรอานสมมตินะครับถ้าเรารู้สึกว่า เ, าเรียนไม่ได้ผลกระบวนการเปลี่ยนกระบวนการใหม่เรียนแบบใหม่นะเรียนแบบแบบไหนดีจะเอากันแบบไหนให้มันให้มันอย่างนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมานั่ง มานั่งทบทวนแล้วต้องมานั่งคิดนะครับเพราะกลัวเหลือเกินว่ากลัวว่าเราเนี่ยเรียนอัลกุรอานแล้วแต่เหมือนกับว่าบทเรียนของอัลกุรอานไม่ได้ซึมซับเข้าไปในตัวของเราอันนี้นะ่ากลัวเพราะนะเรากลัวว่ามันจะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นโคจะต้นอะไรนะอัลกุรอานนี่มันเป็นได้สองอย่าง หุจจ์ต์เลน่าหรืหุจจ์ต์ علينا ฮุจจ์ต์ عليك เลคหรือฮุจจ์ตล ع ل ي ะหุจจ์ต์เลน่าหมายความว่ามันเป็นหลักฐานให้เราได้อ้างอิงต่อหน้า Allah ว่าเราได้ทำตามพระองค์แล้วเราได้เรียนรู้อัลกุรอานแล้วเราได้เอามาใช้คือเราเอาอัลกุรอานเนี่ยไปไปไปเขาเรียกว่าไปไปโชว์ไปแสดง ให้ Allah อัลลอฮฺสวาบต่เาเห็นว่านี่เราได้รับบทเรียนจากอัลกรุรอานแล้วนี่คือแง่บวกที่เราได้รับจากอัลกรุรอานแต่มันจะมีอีกแง่หนึ่งที่อัลกรุรอานเป็นฮุจจะตนุนอะัยนะอัลกุรอานเนี่ยกลับเขาเรียกว่ามามามาอ้านเหนือตัวเราฉันบอกเจ้าแล้วฉันสอนเจ้าแล้ว ฉันให้เจ้าได้ฟังฉันแล้วแต่เจ้าไม่ปฏิอันเนี้คือหุจจตุนอะไรนะเนี่ยอันนี้เราเรากลัววอัลกุรอานจะเป็นจะเป็นอันที่สองเนี่ยอันเนี้ยมีพัก ต, ต้องไปตอบคําถามจากอัลลอฮฺมูฮัมหมนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างยิ่งอย่าเป็นคนที่นะ ล, ละ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا ولا يسمعون อย่าได้เป็นเหมือนกับคนที่บอกว่าเราได้ฟังแล้วแต่จริงๆพวกเขาไม่ได้ฟังอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกัน ฟังแต่阿拉ตะลาบอกว่าไม่ได้ฟัง น, นฟังแล้วเหมือนกับไม่ได้ฟังนะอัลอุเบิลล่าฮะลลอเลกเพราะฉะนั้นนะขอให้พวกเรามั่นใจนะครับว่าอัลกุรอานไม่ได้บกพร่องถ้ามันจะบกพร่องก็มันบกพร่องที่ตัวเราเราต้องมานั่งเช็คมานั่งตรวจกันเราเชื่อมั่นในคำสัญญาของท่านนาบีสุละสัลลัมที่ท่านบอกว่า خيركم ะ ن تعلم القرآن وعلمته ผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือผู้ที่เรียนอัลกุรอานและสอนอัลกุรอานนะครับนี่คือคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราอัลฮัมดุลิลละอย่างน้อยเราก็ได้มีส่วนถึงแม้ว่าเราอาจจะ เ, เรียนไม่ได้ขึ้มข้นเหมือนกับคนที่เรียนเรื่องนี้โดยเฉพาะไม่ไดเ้เรียนอะไรลึกซึ้งมากมายแต่เราก็อยู่ในกระบวนการนี้ก็ถือว่าเป็นเนะหมัดที่ใหญ่หลวงประการหนึ่งแล้วก็ขออุอาด้วยพร้อมๆกัน นอกจากเราจะพยายามเราจะอุตส so like ่าห์อ like. so okay ุตสาหนะทุ่มเทตัวอุตสาห์ของเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องขออดหนุนจากล l l a h ด้วยให้อัลกุรอานนั้นเป็นประโยชน์กับเรา a l มันฟะนะบีมัลลัมตนะ وعلّمنا ما ي นี่เป็น h a d เหมอนกันนะครับของท่านนบีสุลลัลละสัลลัมที่บอกให้เราขออุดหอุว่า a l อ a มะมันะนะมา ع อล م ن ا a l l a h ขอส่งให้ประโยชน์กับสิ่งที่พระองค์ทรงสอนเรา อะไรก็ตามที่อัลอลอฮฺสอนเราให้มันเกิดประโยชน์กับเราไม่ใช่เรียนเฉยๆนะต้องขอดูอ้าด้วยต้องขอนะครับขอภาษาไทยก็ได้แต่อย่าขอในละหมาดภาษาไทยนี้ห้ามขอในละหมาดนะขอในในนอกเวลาละหมาดนี่ขอได้ยาอัลลอฮฺขอให้พระองค์ทรงทําให้ความรู้ที่ฉันเรียนมาเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับฉันและวอัลลิมเนมยองฟาอุนขอพระองค์ทรงสอนฉันในสิ่งที่เกิดประโยชน์ ไอ้สิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์พระองค์ไม่ต้องสอนเราก็ไม่ต้องเรียนสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นี่ไม่ต้องไปเรียนนะครับเสียเวลาเอาเรียนสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เมื่อเรียนอะไรแล้วก็ขอให้มันเกิดประโยชน์ก็เป็นเป็น دعاء หนึ่งที่น่าอ่านเหมือนกันนะครับเป็น د ع อ ء ของท่านน บ, บีสุลต่านนะครับมาดูสุรุตอันฉิกาคสักนิดหนึ่งอันฉิกาะนะครับหมายถึงการแตกของ ขอมฟ้านะครับส ال ال ى, ุรทูลเลี้การแต่งของฟ้าสุราห์นี้จะมีอ้ า, อายดหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเัจเดคคือเมื่ออ่านถึงอายดนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องสุ j u ดนะครับมีรายงานในตัปียของอิบรุกะซีดได้อธิบายบอกว่า "قال مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة أن أبا هريرة قرأ بهم إذا السماء شقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها" رواه مسلم والنسائي بن حدث ر ي عن ب ه ر ي ر รายงานโดยอับลานะครับบอกว่าท่านอับูฮุเรย์รับรับยลลฮท่านได้ลมานล่าอนสุรห์นี้นะครับา่าุรห์นี้อัลฮัมดุลิลละ์เสร็จเนี่ยก็รห์นี้ฟจดาแล้วท่านก็สุยเมื่อถึงอายัดมันจะมีอายัดที่21อยู่นะครับที่อัลตลาบอกว่าิกุรอานอัลกุรอานลสุดอูอเรก็เลยสุ ฟะลัมม ah um ์ม um. ุนซาร์ฟท่านก็หันมาบอกว่ะอัคราของอัลลอฮฺสุลลัลลาห์ซละลลาฮฺละฮฺละสัลลัมสะจัดด้วยเหนห็นมาบอกม่มูบอกว่าท่านนบีซละลลาห์ละฮฺละสัลลัมเนี่ยก็เวลาที่ท่านอ่านสุราห์นี้ท่านก็จะสุ jud นะพอถึงอายะที่ให้สุ j อีกฮหนึ่งนะครับ อีกฮะดีสน <mus> ึงเป็นฮะดีสที่รายงานโดยอัลฟาเป็นไมนะอันอับดุร์ฮุไรร์กลาสะจัดนามอารลลฮลลุัลลัมมาอนชักกตะอิกรบิสมิรบบิคัลลีอลที่มันจะมีอยู่ห์ที่ให้เราสุญนะครับอุร์รายงานว่าท่านได้สุญพร้อมกับท่านบีลลุัลลัมในรห์มาอนชักกต แล้วก ah e ็อ nah, nah, nah, an eh, ีกสุราหนึ่งก็คืออิกราะบิสมิรับบิเกลลัดคขลพอถึงอายัดสุดท้ายสุ jud นะสุ jud เาเรียกสุ jud ทีแล้วนะครับสุ jud ทีลวก็ฉะนั้นเดี๋ยวเราอ่านพร้อมๆกันพอถึงอายัดนี้เราก็สุ j u ดวิธีการสุ j u ก็อัลลอฮฺอักบัไม่ต้องยกมือไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นอัลลอฮฺอักบัก็ลงสุ j u ก็กล่าวเหมือนกับเวลาที่เรากล่าวซะจัดวันศุกือ ถ้ากล่าวไม่ได้ก็ซุข้างเราเบียร์ยาละปกติเหมือนตอนที่เราสุญูดในละหมาดปกตินะครับใครว่ายาวได้ก็ว่ายาวไปใครว่ายาวไม่ได้ก็เอาสั้นๆเหมือนกับในตอนสูญูดหลังจากนั้นก็ยกหัวขึ้นโดยไม่ต้องตัดเบ็ดอีกแล้วพอยกนี้ไม่ต้องตัดเบ็ดแล้วนะครับยกขึ้นมาเฉยๆนี่คือวิธีการสูญูดของ ม, อมันนะมาอ่สักเล่หนึ่งนะครับ عوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان بسم, الله بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء شق وأذنت لربها وحقت لربها وإذا الأرض م د ت وإذا الأرض مددت فيها ما فيها وتخلت، وأذنت لربها, وحقت وأذنت, لربها وحقت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إن نك كادح إلى ربك كدح فملاقي. فام و َ م َ ن ْ أ ُ و ت ِ ي َ ك ِ ت َ ا ب َ ه ُ بِيَمِينِهِ و َ م َ ن ْ أ ُ و ت ِ ي َ ك ِ ت َ ا ب َ ه ُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَيُحَاسَبُ ح ِ س َ ا ب ً ا ي َ س ِ ي ر ً ا وينقلب إلى, وينقلب إلى أهله مسروراً وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَحْرِهِ فيدعو صبورا و ي ع صبورا ويصل سعيرا. อันนั้นเขา ظن อัลลَฮ์จะพูดบ ر لا أقسم ب ا ل ش ف ق ولا أقسم ب ا ل ش ف ق والليل وما و س ق والليل وما وساق، والقمر إذا تساق. طبقا لا تركب نطبقا عن طبقة. الذين كفروا يكذبون، والذين يكذبون، والله أعلم بما يروعون. ا ل ل ه أعلم بما يروعون. فبشرهم. ب َ ع ْ ذ َ ا ب أ َ ل ِ ي م إِلَّا الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصَّالحات ถ้าสเปนฉ ا ขัดและอธิษฐานต่อพระเจ้าของตวัอาตน้สกดตรสัพสดถงสาพของันกิาะ่ คล้ายๆกันกับสองสุรท์ที่ผ่านมาที่เป็นคู่แฝด น, นะครับอ mm ิลัสเซมาอุนชกตเมื่อท้องฟ้าได้แตกออกค mm hmm. ำว่าแตกออกเนี่ยมีการตับซีจากบรรดานักวิชาการนะครับบอกว่า ตั้งยี่ร์ทั้งทั้งยี่ร์ทั้งยี่งสภาพที่ร์ทห้งนนยี่ร์งวี่รทั้งยี่ร์เั้นี่รทั้งยี่ทงยี่รที่ร์ทั้ง่ทั้ง่้งนี้งี่ร์ท้ี่ร์ี่รนทั้งยี่รั้่รทั้งยี่ร์ท้งยี่้งยี่ร์้ี่ร์ทั้งยี่ระเั้ยี่วามเอย่ร้ีรยี่ย่รอทังรนะ โครงสร้างต่างๆของมันเนี่ยจะถูกถูกทำลายไปสิ้นนะครับถูก อ, อลอตสุภาองศาละทรงทำให้มันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับคืออัลลอฮ์สุภาองศาละได้อธิบายในต้นของสูลฮาะนี้ถึงสภาพอันน่ากลัวของวันเคียมัตเพราะองค์ทรงแจ้งให้เราทราบว่าเครื่องหมายแห่งวันเคียมัตนั่นก็คือเมื่อฟ้าได้แตกออกกล่าวคือเมื่ออัลลอฮ์ทรงประสงค์ที่จะให้โลกพินาศลง พระองค์ก็จะทรงให้ดวงดาวต่างๆหมดสภาพที่จะโครจร อ, อยู่ในจักรสีของมันอีกต่อไปในการนี้มันย่อมจะโครจรไปชนกับดวงดาวอื่นๆทำให้แตกออกและร่วงหล่นลงมาจากนั้นจะมีเมฆหมอกปรากฏในที่ต่างๆและในอวกาศน่งวงๆอันหนึ่งการที่ฟ้าแตกออกนั้นจากมันได้ปฏิบัติ ต, ตามพระบัญชาแห่งพระเจ้าของมันถึงเวลานะครับพอถึงเวลาเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีอายุขัยของมันแม้แต่ท้องฟ้าก็มีอายุขของมันและนี่ก็คือความหมายของอายะที่สองที่ Allah ตรัสอาไว้ว่า وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ و َ أ َ ذ َِ ت, ك ت ك ْหมายถึงท้องฟ้าเนี ق ق ่ยรับบัญชา ฟังคำสั่งของ Allah سبحانه وتعالى อาดีนัลีรับบิฮะวุหุกกดหมายความว่าเหมาะสมแล้วที่มันจะรับบัญชาของล l l a h นะครับซึ่งเป็นการสมควรแล้วที่มันจะได้กระทําเช่นนั้นเพราะมันรู้ว่าเป็นพระบัญชาของพระเจ้าของมันเอาล่ะแต่เราบอกว่าถึงเวลาที่เจ้าจะต้องแตกแล้วนะถึงเวลาที่เจ้าจะต้องอทําลายดวงดาวต่างๆดวงดาวต่างๆจะหมดอายุแล้วนะมัดทำ เพราะมันรู้ว่าเป็นคําสั่งของลอนี้เป็นการเป็นการเปรียบเทียบนะซึ่งแตกต่างกับมนุษย์มากนะครับในภาษาไทยนะครับบอกว่าซึ่งแตกต่างกับมนุษย์มาก ท, ทั้งทั้งที่ทราบดีว่าเป็นพระบัญชาของลอแต่ก็ทําเหมือนกับว่าเขาไม่มีหูไม่มีปัญญาขนาดฟ้องฟ้าเนี่ยแล้วสั่งเป็นเรื่องที่หนักนะคือสั่งให้แตกไม่ได้สั่งให้ให้ อย่างเรานีไา่ไม่ได้สั่งให้ฆ่าตัวเองนะไม่ได้สั่งให้ฆ่าตัวตายไม่ได้สั่งให้ตัดมือตัดเท้าตัวเองสั่งให้ทำดีต่ออัลลอฮ์สั่งให้ละมามนุษย์บางคนอัลลอฮ์สั่งให้ละมาไม่ยอมละมาแล้วสุภานั่นหรอถ้าเราสังเกตดูบทบัญญัติของอิสลามเนี่ยผมนั่งคิดในอิสลามมันจะมีศัพ์อยู่ศัพท์หนึ่งในอัลกุรอานของเรานะครับมันจะมีศัพ์อยู่ศัพท์หนึ่งเป็นคำศัพท์ที่อัลลอฮ์ทรงเอาแต่ลาใช้อธิบายชีวิตของมุสมิน ชีวิตของมุมินที่เชื่อฟัง a l ะ a h ศรัทธาต่อ Allah และปฏิบัติอาลัยมนุษย์ผู้ทมดีทั้งชายและหญบอที่เป็นมุ่งมิ่นที่เชื่อฟัง a l l a ทแลยวจะนีชีวิตที่อง ช่เอาไว้ให้ดีนะครับย ي บ ة ที่ดีหมายถึงชีวิตยีต่ดีหมายถึงทีด่ดีชีวิตทีด่ดีหมายความว่าผู้ที่ทําอัมนะอัลสล่ะมันอามละซาลิฮันใครที่ทําอัมนะอัลสล่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมิ็นเจ้ากรินเรืออุนซาวะฮฺมุหมินในสภาพที่เขาเป็นมุหมินเป็นผู้ศรัทธา อัอลลอฮฺสั่งเราบอกว่าพระองค์จะทรงทําให้เขาคนนั้นมีชีวิตที่ดีเหมือนกับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฟังคําสั่งของอัลลอฮฺเราทําตามสิ่งที่อัลลอฮฺสั่งทำเราเชื่อมั่นในอัลลอฮฺชีวิตของเราเป็นไปไม่ได้ที่จะมีชีวิตเลวๆต้องเป็นชีวิตที่ดีแต่ว่ามนุษย์ไม่ยอมฟัง นะลนรกตะลาเนี่ยมีไหมครับในพระบัญญัติของพระองค์สั่งให้มนุษย์ทําร้ายตัวเองมีไหมไม่มีไอ้ที่พระองค์สั่งให้เราละหมาดเนี่ยเป็นการทําร้ายเราไหมฮะสั่งให้เราถือศีลอดเดือนระมาดอนอีกถามว่าคําสั่งเนี่ยมันทําร้ายมนุษย์ไหมลองคิดให้ดีลองคิดให้ดีดดทําไมต้องถือศีลอดหนึ่งเดือนในระยะเวลาช่วงหนึ่งปีต้องถือศีลอดหนึ่งเดือน โอ้อิสลามไม่โหดร้ายมากฮะให้มุสลิมอดข้าวหนึ่งเดือนเป็นการทําร้ายตัวเองเกิดผลเสียต่อตัวเองอย่างมากมายมหาศาลเพราะการถือศีลอดเดือนระมอตัดใช่อย่างนั้นหรือเปล่าครับไม่มีละมาด ก, ก็ดีถือศีลอดก็ดีให้จ่าย Zakat า ก, า ก, ก็ดีอีกหลายๆอย่างที่เป็นหบทบัญญัติของอิสลามทั้งหมดนั้นเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งสิน้น แต่เราไม่ฟังเราไม่เชื่อนี่ดีนะอัลลอฮฺตาลาไม่ได้สั่งเหมือนที่พระองค์สั่งท้องฟ้าพระองค์สั่งท้องฟ้าให้ทำลายตัวเองให้แตกกระจงอัลลอฮฺบอกบับนี้วันกิยามมันยังฟั่งอะ่ะท้องฟ้าไปโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอากลัวไม่อยากจะแตกตัวเองท้องฟ้าไม่ได้พูดอย่างนี้เลยฟังอัลลอฮฺตาลาบอกให้เราทำอะไรทาหมดเลยแต่ทำไมมนุษย์ไม่ฟัง อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัเกียร์มแต่เกี่ยวข้องกับอายัดนี้โครงสร้างของอายัดนี้ว่าアジเนตลิรบิฮะท้องฟ้ายังฟังอัลลอห์วะฮุกัดแล้วมันก็ยอมรับฟังโดยโดยเ้าเรียกว่าโด ย, โ ด, ย, โ ด, ยดุสดีไม่ไม่ไม่ปฏิเสธใดๆทั้งสิเราน่ า, าคิดนะครับว่าเราเนี่ยทำไมเราจรึงไม่ยอมฟังขของลัลลอฮ์ วลัหมายถึงเมื่อแผ่นดินถูกให้แผ่กว้างความหมายก็คือว่าแผ่นดินได้แผ่กว้างเป็นผืนรากสม่ำเสมอปราศจากหลุมบ่อและเนินเขาใดๆทั้งสิน้นทั้งนี้เนื่องจากการไหวของแผ่นดินอย่างรุนแรงอันเกิดจากประการิ์ของ a ลล a h ในการนี้ นี่คือความหมายของคำว่าวันอัลอออตุม ด, ดันหมายถึงวันกียรมัดเนี่ยถ้าเป็นปัจจุบันนี้โลกของเรานะครับมันจะมีส่วนที่ต่ำส่วนที่เป็นราบเขาสูงเป็นภูเขาบ้างบางทีก็เป็นลำธารเป็นทะเลสาบเป็นอะไรแต่พอถึงวันกียร์มัดเนี่ยเราตั้ลาลาวบอกว่ามุดดัความหมายก็คือฟีมุสตะ ว, วันว่าิตบตตาต بحيث สูงสุดในทวันหนึ่งไม่มีการสูงขึ้นในด้นใดหรือการลดลงในด้านใด กว้างเสมอกันหมดเลยนะครับกว้างสุดลูกโอ้ลูกตาไม่มีภูเขาไม่มีอะไรทั้งสิ้นนี่คือความหมายคําว่าไหวลันอาตรงหมดดัดเนื่องมาจากแผ่ดินไหวภูเขาถูกทําลายเป็นราบราบเนี่ยที่เขาบอกว่าราบเป็นเป็นอะไรนะราบเป็นหน้าเป็นหน้ากรอบเป็นหน้ากลองนะฮะราบเป็นหน้าหน้าหรือว่าหน้าราบเป็นหน้ากลองมันทั้ง ไม่มีเลยนะครับไม่มีตะปุ่มตะปั่ไม่มีอะไรเลยราบเป็นหน้ากลอกนี่คือความหมายของคำว่าอวยันอัลตูมุดว่าอลกัตมาฟีฮาวะทัคลัดแลมันได้คายนะกระทะเนี่ยแะรกระทายม่ถึงอะไรกระทายฮะกระจายเหรอมันได้กระจายสิ่งที่อยู่ในมันออกมาคือคนตายศพและมันได้ทำให้เกลี้ยงนะครับหมายถึงว่า สิ่งต่างๆที่อยู่ข้างในมันเนี่ยศพนี่คือการการฟื้นคืนชีพของมนุษย์ในวันแกลม่ะแผ่นดินจะคายออกมาให้หมดคือศพของมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยที่ถูกฝังมาเป็นล้านล้านปีเป็นพันพันปีเนี่ยแผ่นดินก็จะคายมันออกมาทั้งหมดเหมือนที่อัลลอใน Surah a a l z l a h นะครับว่าอัลซลซลาตีลอารดูซัลซัลา الأرضُ أَسْقَالَهَا าَ ح ف ي ه วทาระต์ไอ่ م ัง ب งวท ا ระต์แม ا م ن ن นข้างหน้าของ م ธอจากนั و นจากนั้นจากนั้นจ م กนั้นกนันจากั้นจากนั้นจากนั้นจากั้นจากนั้นจากนั้นจากนั้นจากน้นจากนัากั้นจากนั้นจากนั้นจากนั ت นจากนั้นจากนั้นจากจากนั้นจากนั้นจากนันจากนั้นากนานั้น้ัน้กานนั้น นะครับสภาพเดียวกันเหมือนกับท้องฟ้านะครับแผ่นดินก็เหมือนกับท้องฟ้าพี่น้องครับนี่คือข้อเท็จจริงบางอย่างที่มนุษย์อาจจะลลืมบางทีเราไม่ได้เราไม่ได้เตรียมตัวที่จะเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้เราใช้ชีวิตบนโลกนี้เหมือนกับว่าท้องฟ้าไม่มีวันสลาย แผ่นดินไม่มีวันแตกกระจายใช่หรือเปล่าและนี่คือเหตุผลที่เราย้าเตือนกันมาบ่อยครั้งว่าทำไมอัลกุรอานถึงพูดถึงวันเกียมัดเยอะมากและหลายรูปแบบมากเพราะอัลลอฮสวลตางลารู้ว่ามนุษย์มีโรคอยู่โรคหนึ่งเป็นโรคที่รักษายากจริงๆนั่นก็คือโรคหลงลืมละกัดคณจะ ในรัฟเลต์มินฮาดะรัตละบวข้าาบาน لقد كنت في رفلتة من هذا แท้จริงแล้วเจ้านี่อยู่ในความหลงลืมต่อสิ่งนี้พระบาซาบุแคลเยอมาฮพอถึงวันเกียร์มักเนี่ยความหลงลืมที่เราเคยลืมเราเคยเหลอเราเคยใช้ชีวิตแบบไม่เคยสำนึกสำเนียง พอถึงวันเคียรมากเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนเหมือนกับนะคมชัดสายตาของเราจะคมชัดมากเหมือนกับเหลาา็กพระบาสมุทรเกลียวมาฮาดีกหมถึงคมชัดเพราะฉะนั้นมันมันมั น, ม น, มนอะไรอะคือมันไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วที่จะทำให้เราสามารถกระชากความหลงลืมของเราออกจากหัวใจได้ าเราไม่กลับไปอ่านอายักแบบนี้ขนาดเราอ่านมันนะไหนขนาดเราอ่านมันนะวันนี้คืนนี้เราอ่านมันเพรากลับไปสักพักหนึ่งเอ้ยมันหายไปแล้วอ่ะมันเขหายไปไหนแล้วนับภาษาอะไรแล้วไปอยู่ใช้ชีวิตอีกหกวันกว่าจะมาอีกอาทิตย์หน้านะุบบางทีอาจารย์ก็ไม่มาแล้วมันไม่เนี่ย ม, มันเหนื่อยนะเราเนี่อยู่ชีวิตชีวิตของเรานี่เหนื่อยมากเหมือนกับที่อัลลอฮฺตะลาบอกเราในสุราวัลอาสริวัลอาสอ ส, สาบานกับการเวลามนุษย์นี่อยู่ในความกัดทุกข์ถ้าเรายังก็ยังไม่อยากที่จะอ่านมันแล้วเ ร, า ร, ร า, เ า, วารู้ทั้งรู้เขาเรียกว่ารู้ชั้งรู้อัลลอฮฺบางบางบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เรารู้แต่เราก็ทํามันไม่ได้ยั้ไงเราต้องอดทนต่อไปเราจะต้องอดทนแล้วอัลลอฮฺตะลาก็สั่งให้เราอดทนวะทว่าซาบิลฮะกี ว, วาทวรสั่งอบรนะีต้องสั่งกันต้องเตือนกันนะต้องสกิดเตือนกันให้อดทนอยู่ตลอดเวลาอดทนเรื่องอะไรอดทนเรีย น, รนเรียนอิลลัลลีนอัมาห์าุศรัทธาศรัทธามันจะเกิดไม่ได้ถ้าเราไม่เรียนต้องอดทนต้องทนเรียนต้องเรียนตลอดเวลาต้องอ่านตลอดเวลาเพื่อให้เกิดศรัทธาอดทนในการปฏิบัติว่าอามิลุสอเลฮัดนะอดทนในการปฏิบัติ ละมาให้ดีหมาดของสุนัตก็ต้องทนทามด้วยต้องฝึกตัวเองอดทนในเรื่ อ, องการปฏิบัติอดทนในเรื่ อ, องการสั่งเสียคนอื่น <c oughs> วาะว่าเศรอบริพัก้วนะไปบอกคนอื่นแล้วคนอื่นไม่ฟังสอนคนอื่นแล้วคนอื่นปิดหูนะครับทาเป็นไม่รู้เรื่องทำเป็นไม่ยอมฟังแล้วนะเ็าต้องอดทนและวาทะว่าศ อ, อบรนะครับนี่คือกระบวนการ ของศาสนาอิสลามที่ต้องการให้มนุษย์เป็นคนดีต้องการสร้างสันติสุขในสังคมต้องการให้สังคมนี้น่าอยู่ต้องการให้สมาชิกในสังคมเป็นบุคคลที่มีคุณภาพต้องการให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ทุกคนเนี่ยชีวิตที่ดีที่ทุกคนปรารถนานี่คืออิสลามนะอิสลามไม่ใช่ไม่ใช่พิธีกรรมไม่ใช่บทท่องสวดมนต์ไม่ใช่ เวทมนต์ของขลังที่จะเอาไปบูชาที่จะเอาไปเนตที่เอวที่จะเอาไปเสียบใต้โตะ๊ะเอาไปขีดเขียนเป็นยันติดที่ประตูไม่ใช่เอาไปติดไว้แล้วก็ไปกราบไหว้ไม่ใช่อิสลามคือการใช้ให้มันเป็นเลือดเป็นเนื้อของเราอัลกุรอานเป็นชีวิตในการดำรงชีวิตประจำวันกานะคุลุกฮุล ก, ลกรุรอานท่านนาบีสุลตล่ามชีวิตของท่านก็คืออัลกรุรอาน นี่คือจุดประสงค์จุดหมายปลายทางที่เราจะต้องไปให้ถึงจะทำอย่างไรให้อัลกุรอานเป็นชีวิตจิตใจของเราจะทำอย่างไรให้คำสอนของอิสลามเป็นคำสอนที่มันเห็นจริงๆในตัวของเรานะครับใช้ประโยชนนะ์ใช้ประโยชน์จากอายะหสองอายะที่เราเรียนคืนนี้เพื่อมากระตุ้นตัวเองให้เป็นคนที่ฟังคำสั่งของลอ์และก็ยอมรับโดยสะดุดีโดยที่ ไม่เป็นคนที่ดื้อดึงต่อพระองค์การแะพระดำรัสของลัทธิสุภ า, าการมีอะไรอีกไหมครับที่พอจะอธิบายได้ตรงนี้ได้แล้วครับ อายะที่หกนั้นเป็นการพูดถึงเป็นการเรียกมนุษย์เป็นการเรียกมนุษย์เพื่อให้สำนึกตัวอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่พวกเขาทำบนโลกนี้สุดท้ายพวกเขาจะต้องได้รับอะไรจากอัลลอฮฺและมนุษย์ในวันเกียรตินั้นก็จะเป็นจะถูกแบ่งออกเป็นสองพวกพวกที่หนึ่งก็คือพวกที่รับหนังสือจากมือขวานะครับรับด้วยมือขวา และพวกที่สองก็คือพวกที่รับหนังสือด้วยมือซ้ายแล้วก็รับแบบหานหลังให้ด้วยนะครับไม่ได้รับแบบต่อหน้าอย่างนี้รับแบบไม่ยอมไม่ยอมมองหนังสือของตัวเองให้ให้จากข้างหลังนะครับเราจะมาดูกันว่าลอสฟรองซ่าออธิบายว่าคุณลักษณะของคนสองพวกนี้เป็นยังไงในอายักชุดอายักออกไปนะครับสอนล็อกสัมผัสฐานสําหรับค่ำคืนนี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับพอสมควร อัลลอฮุโตะลาละมั่ง ل ى الله ع ل ه و ل ه ن ب ي ن ا محمدًا ﷺ ศุภานารับีคาร์บีอัลอาซิทัมวะชิตุนซัลลัมอะลัยฮ